วันนี้ตามประวัติของพระอรุทธะพระอรุทะนี่ท่านมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งที่ว่าท้ามหานามนสองพี่น้องมาปรึกษาหารหือกันบันนี้เอ๊นี่ตระกูลอื่นๆนะเขายังออกบวชกันตามเสด็จพระบรมศาสดาซึ่งเป็นพระญาติ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 อรุทธาเนี่ก็พูดกับพี่ชายว่าน้องเห็นจะไปบวชไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นผู้สุคุมมาราชาตไม่เคยกากกรรมลำบากอะไรเลยอย่างนี้แล้วจะไปบวชคงไม่ได้หรอกผู้พี่ชายก็ว่าเออท่าถ้าแกไปบวชไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่จะไปบวชแต่ว่าให้น้องศึกษา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 เพื่อนไปชี้แจงเหตุผลให้เพื่อนฟังว่าโอ้ยการบวชของเราเนี่มันเนื่องอยู่กับเพื่อนเนอะวะงั้นผูม้มารดาของเรามีพันธะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนจงออกบวช ด, ด้วยกันกับเราเถิดอพัทธิยะกุ ม, มารก็ไม่ขัดมาเนี้เอาบวชก็บวชนั่นเนี่ยก็เลยไปบวช ด, ด้วยกันสองสหตุ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 ในที่สุดก็ได้สำเร็จอรหัตตะผลทั้งสองพระองค์ท่านส่วนพระพัทถยะนั่นเปล่งอุทานในที่ต่างๆว่าสุขหนอสุขหนอว่าเงพระทั้งหลายไม่รู้ก็ไปวิจารณ์กันว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าองค์นี้เพื่อน บ น, ม น, นอมจวัสุุหนอสุกหนอนี่เข้าใจว่าจะนึกถึงนาทสมบัติขึ้นมาเป็นอารมณ์แล้วก็ดีอกดีใจเลยถึงได้พูดออกมาอย่างนี้ก็ไปกราบทูลพระศาสดาให้ทรงทราบพระศาสดาจึงได้ให้เรียกพระพัทถิยะมาะองคกลกทรงรับสั่งถามการที่เป่งอุทาน ม, นมน ว, าวาสุหนอสุกหนอนนั้น ด้วยเหตุผลกลใดพระพัฒทิยาก็กราบทูลพระองค์ว่าที่ข้าพระองค์เป่งมุธานออกมาว่าสุขหน อ, ส, หนอสุขหนอนี่ไม่ใช่ปารคราชสมบัติพราสถานอะไรอยู่เหมืนคือว่าตั้งแต่ข้าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ ส, ยสมบัติอยู่นู้นสะดุ้งกลัวต่อภัยอันตรายอยู่อย่างนั้นทั้งที่มีทหารตำรวจอะไร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 ความกลัวทั้งหลายลหายไปหมดจิตใจวิเวกวางเวงไม่มีห่วงไม่มีอะไรกับสิ่งใดทั้งหมดอยู่ที่ไหนก็ไม่สะดุ้งกลัวต่อภัยอันตรายต่า ง, างๆจะไปอยู่ป่าเขาลำเนาภายัยอยู่ในถ้ำในหิวที่ไหนก็ตามดังนั้นข้าพราะองค์จึงได้เปล่งอุทานออกมาว่าสุขหนอสุขหน อ, หนอดังนี้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 อันนั้นมันสุกเยื่ออยู่ด้วยอามิตรอามิตรในที่นี้ท่านหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆนั่นแหละเมื่อผู้ใดแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันนั้นได้มามากอมายกายกองสนุกใช้สนุกใจอย่างเนี้ถือว่าตนเป็นสุขสบายดี ออาเป็นเงินสุขอันนั้นเลยว่าสุขเจืออยู่ด้วยเงินด้วยท้องข้าวของทีนี้ต่อไปถ้าเงินทองข้าวของนั้นหมดลงความสุขนั้นมันก็หายไปตามกันหมดไปตามกันอันนี้แหละที่ว่าความสุขที่เจืออยู่ด้วยอาวุธคือวัตถุสิ่งของนั้นไม่จีรังยั่งยืนใถ้เพื่งพิจารณากันให้ดีอ่ามันนี้ท่านผู้ทําจิตให้บริสุทธิ์แล้วนี่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 ไปเรื่อยๆความหมายน่ะก็เหมือนอย่างข้อปฏิบัติสามประการของคฤหัตได้แก่ทานศีลภาวนานเมื่อคฤหัตปฏิบัติตามนั้นไปความโลภความโกรธความหลงมันก็บาวางลงมันเป็นอย่างนั้นเื่องมันนะทีนี้นักบวชกระรงสอนให้เจริญไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา เพราะว่าหน้าปวดไม่มีวัตถุเข้าของอะไรจะมาให้ทานได้ก็ตั้งสติสัมรวมกายวาจาของตนให้บริสุทธิ์ไม่ร่วงทิศขาบทวิีในน้อยใหญ่ทั้งๆเช่นนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้เว้นจากบาปได้นั่นนะเป็นผู้ไม่สร้างบาปขึ้นในกายวาจาใจของตนนั่นยิ่งเมื่อสัมรวมใจเมื่อสัมรวมกายวาจาด้วยดี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 มันคอยขัดคอยขวางไม่ให้เราหลุดพ้นจากอำนาจของมันไปได้เลยอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปราชญผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านรู้อย่างนี้แล้วท่านจึงไม่ย่อท่อต่ออำนาจของกิเลสนั้นเมื่อกิเลส ช, ชนิดไหนมันเกิดขึ้นท่านก็ต่อสู้ทำความเพียรโดยน้มเอาพระธรรมคำสอน อันเป็นคู่ปรับกับกิเลสนั่นนั่นแหละมาเจริญนี่เส้นยา่ามันคิดโลภเร่งเพยงเร่งอยากได้สมบัติอืนมาเป็นของตนอย่างนี้นะอ่าก็มานึกถึงสันตติธรรมพระาศาสดาทรงต ร, รัสด้วยว่าสันตุฐีประมังท่านังความยินดีตามมีตามได้เป็นรัพย์อันปรสัตสนี่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 ถ้าบุคคลมาเจริญเมตตากรุณาอยู่ทุกวันทุกคืนไปพิจารณาดูตัวเองและวีนาดูคนอื่นสัตว์อื่นให้เห็นลงไว้ว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งที่เป็นบัณฑิตทั้งที่เป็นคนพานทั้งที่เกิดในตระกูลสูงและเกิดในตระกูลต่ำอันโมนี้ไม่เป็นของแปลกเมื่อมาพิจารณาลงไปแล้วว่า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 กรรมเวนก็น่วงเหนียวไปในวัฏฏานี่นะไปเจอกันที่ไหนก็ดเป็นอันสังหารกันในที่นั้นทำทุกข์ให้แก่กันในที่นั้นไป่พอพี่นาเห็นอย่างนี้นะมันก็เบื่อแล้วเบื่อกรรมเบื่อเวนเบื่อต่อการเบียดเบียนซึ่งกันและกั น, นอย่าเลยงดแล้วเราไม่เบียดเบียนใครละใครจะมายัวยวนชวนทะเลาะเราก็ไม่เอาเราอาโหสิกรรมให้หมดเลย นี่ถ้าหาว่ามาดำริตรีตองในใจได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็รักษาศินได้เลยกว่านี้เนี่ยก็มีศิลบริสุทธิ์ความโกรธความพยาบาททั้งหลายมันก็เบาบางลงไปจากกิตลใจได้อนี่แหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานะมันเป็นเครื่องบรรเทากิเลสตัณหาใน้อยเบาวางลงไปแต่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะต้องมีบัยแยบคายใ น, ในใจอย่างอย่างที่แนะนํามานี่แหละ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 จุดมุ่งหมายการอบรมฝึกฝนจิตใจนี่ให้เพื่อใจให้มันสงบลงแล้วก็เพื่อให้ปัญญามาเกิดขึ้นเมื่อปัญญามาเกิดขึ้นแล้วก็จะได้รู้แจ้งในอริยสัจจะทำทั้งสี่นี่นี่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงนะจุดมุ่งหมายของการเจริญธรรมชาวิปัสสนานะี่ยมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าพากันละเลย อย่าไปนึกว่าเรานี่มันบุญน้อยเราบวชมาเพื่อพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยก็เอาละหรือถ้าเป็นครึงหัสก็เหมือนกันเราปฏิบัติศาสนานี่ก็เพื่อให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยเพื่อได้บุญกุศลเป็นร่พึ่งของตนไปเบื้องหน้าเท่านั้ น, นเราคงไม่มีหวังจะได้มักได้ผลอะไรแล้วคนใดมีความคิดอย่างนี้หรือ ว, ว่าพูดอย่างนี้นะ คล้ายๆกับว่าตีตนตายก่อนไข้ดังที่โบราณท่านว่าไว้นั่นพอเจ็บไข้ได้ป่วยลงเราเข้าใจว่าตนจะตายแล้วใครเอายามาให้กินก็ไม่ยอมกินอ่ะไหนๆมันจะตายอยู่แล้วไม่ต้องกินมันแล้วอืออย่างนี้เนี่ยที่โบราณท่านว่าตีตนตายก่อนไข่อันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเย่ยถึงอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างไรเราก็ไม่ได้มักได้ผลอะไรหรอกในชาตินี้นะ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 เงื่อเราทำลงไปแล้วคุณธรรมอันดีงามบางเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันนักรู้เองเลยบะเนี่ยมันนักรู้ว่ากิเลสมันเบาบางไอ้จา ก, กจิตใจมันรู้ด้วยตนเองมาเลยบะนีอมันเป็นอย่างนั้นใครรู้ให้ไม่ได้เรื่องอย่างนี้นะใครทำคนนั้นรู้เองงนะเพราะฉะนั้นเราต้องลงมือทำกันให้เกิดความรู้ความเห็นขึ้นด้วยตนเองให้ได้